สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะสบายๆกับพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตจากวัดบวรนิเวศวิหารนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ ะ, จะเจริญพรวันนี้นะคะเราจัดรายการกันมาหลายครั้งแล้วก็เริ่มที่จะมีคำถามจากท่านผู้ฟังทางบ้านส่งกันเข้ามาก็ขอบคุณสำหรับคำถามแล้วก็ ตัวโยมเองก็จะได้เรียนรู้จากคำถามที่ท่านผู้ฟังทางบ้านส่งมาพร้อมๆไปกับผู้ฟังก็แล้วกันนะเจ้าคะ่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สี่แล้วนะเจ้าค่ะครบเดือนพอดีอก็เริ่มที่จะมีคำถามเข้ามาแล้วก็ดีมากเลยเพราะว่าคำถามเนี่ยเวลาคนถามมาคนที่ได้ฟังเนี่ยเขาก็ได้แง่คิดได้เงื่อน ได้อะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันไปด้วยก็จะมีประโยชน์มากเลยสำหรับคนที่าฝากคำถามเข้ามาในหน้าเพจของอีซีธรรมะส่วนใครที่ยังรู้สึกว่าเข้าถึงช่องทางรับฟังเราได้ยากก็อยากจะย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งก็คือว่าเข้าไปที่นหน้าเพจของ Facebook แล้วก็ไปช่องเ e ิร์ชเนี่ยกดคำว่าอีซีธรรมะก็สะกดว่าอ e ี S A S Y D H A M M A แล้วก็ติดกันด้วยแล้วก็ตัวตัวอีตัวให ญ, ใหญ่แล้วก็ที่เหลือเป็นตัวเล็กทั้งหมดพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเจอโลโก้เป็นรูปเป็นพระพุทธเจ้านี่แหละแต่ก็เป็นเหมือนภาพเขียนสีน้ำมาะน ะ, าะาขาวๆนั่งอยู่ใต้ต้นโพพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะที่หน้าโพสต์ของหน้าเพจเนี่ย ก็จะมีโลโก้อยู่โลโก้ของรายการธรรมะสบายๆเนี่ยพอท่านฟังเห็นเนี่ยก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่าเนี่ยเป็นโลโก้ของรายการเราเองรายการธรรมะสบายๆซึ่งถ้าใครยังไม่เคยฟังก็ไปสครอลดาวลงไปดูข้างล่างก็ที่ด้านใต้โลโก้เนี่ยก็จะมีเขียนไว้ด้วยว่าตอนที่เท่าไหร่เอพิส od หนึ่งส่วนวันนี้ก็จะเป็นเอพิส od 4ซึ่งหน้าเพจของอีซี่ธรรมะเนี่ยก็ไม่ใช่มีรายการธรรมะสบายๆยอย่างเดียว ก็จะมีหลายอย่างอาจจะเป็นข้อความธรรมะที่โพสต์ลงไปหรือไม่ก็เป็นเสียงอ่านหนังสือก็จะหัดคัดคัดหาหนังสือดีๆเนี่ยมาอ่านให้ฟังซึ่งก็จะมีหลายเรื่องที่ได้นำมาโพสต์ลงไปแล้วก็อยากให้ท่านฟังเนี่ยนอกจากจะฟังรายการแล้วนี่ก็ได้ลองฟังเสียงอ่านดูเป็นเนื้อหาธรรมะดีๆที่คัดสรรมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกัน ค่ะจะมีประโยชน์มากเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวโยมเองเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือการฟังเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าเราสามารถฟังได้ทั้ง เ, เวลาขับรถอยู่ก่อนนอนแล้วก็ยังได้ฟังธรรมะไปด้วยนะคะสำหรับคนไม่ชอบอ่านหนังสือวันนี้เรามาเริ่มที่คำถามกันก่อนคุณมณีเนตรก็ฝากคำถามไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งที่แล้วนะคะก็ตอบกันไปแล้วเรื่องของอผู้หญิงสามารถจะจับจ บ, บาตร<า>ได้ไหม แต่ก็คราวที่แล้วเนี่ยเราทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่องถูบ้านไว้นะเจ้าค่ะแต่ก็จะตอบคาถามก่อนซึ่งถ้าตอบคาถามเสร็จแล้วพอมีเวลาเนี่ยเราก็ค่อยมาคุยเรื่องถูบ้านกันต่อแต่ถ้าไม่ทันก็เอาไว้ยกยอดไปเป็นครั้งหน้ า, นานครั้งหน้าไปเจ้าค่ะคุณมณีเนธเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ทําทานมาตลอดตั้งแต่เล็กๆคือเมื่อตอนเด็กๆ เ, เนี่ยพ่อแม่ก็จะเป็นคน พราแม่ก็จะสอนให้ทําบุญแล้วก็จะเป็นคนเตรียมทุกอย่างให้หมายถึงว่าซื้อโน่นซื้อนี่ให้แล้วก็เราก็เป็นคนทนําบุญเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยรู้สึกทั้งมีความสุขแล้วก็มีความปิติในขณะนั้นเมื่อเมื่อเริ่มทําทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาไปพร้อมๆกันก็เริ่มทําทานด้วยสิ่งของแล้วก็เงินจํานวนมากขึ้น เขาก็รู้สึกว่าเขาปิติแล้วก็มีความสุขเช่นเดียวกันแต่คราวนี้เนี่ยพอทำไปทำมาเริ่มทำทำบุญทำทานนะคะด้วยสิ่งของที่ตัวเองรักแล้วก็เงินจำนวนมากขึ้นมากขึ้นอีกนะคะแต่กลับไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยปิติก็คือว่าเป็นความรู้สึกเฉยๆแล้วก็ไม่ได้มีการอธิษฐานขออะไรด้วยก็เลย อยากจะมีคําถามหลายคําถามด้วยกันนี่คือเป็นเรื่องราวก่อนนะคะแต่ว่าคําถามเริ่มที่คําถามแรกก่อนเขาบอกว่าทำบุญแล้วไม่รู้สึกปิติแต่กลับรู้สึกเฉยเฉและการที่ไม่ได้อธิษฐานขออะไรเนี่ยอย่างนี้เราได้บุญไหมเจ้าคะก็ภา พ, ภาพเป็นภาพธรรมดานะที่ว่าเราทำบุญในที่นี้ก็คือให้ทานนะเพราะว่าบุญมันก็มีหลายแบบที่เราจะทากันได้ซึ่ง อย่างกรณีเนี่ยเราก็ใช้ศัพท์คำว่าให้ทานดีกว่ า, จ, าะจะได้จาบจงดีแล้วก็เข้าใจกันง่ายดีก็คื อ, อที่คุณปนีเนี่ยถามเนี่ยคือการให้ทานเวลาให้ทานไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกโอ้ดีนะใจก็อิ่มเอบแล้วก็มีความรู้สึกยินดีในการให้เกิดขึ้นส่วนพอทาทๆไปแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งเราก็รู้สึกว่ามันเฉยเฉยนะอะไรเงี้ยแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือว่า ภาพอันนี้เป็นภาพแบบประจําที่เราจะเห็นกันได้ตลอดเลยก็คือว่าทําบุญเสร็จปุ๊บก็ขอให้เราเนี่ยได้โน่นได้นี่จากการที่เราได้ทําบุญโดยวิธีการให้ทานเจ้าค่ะอันนี้ก็ต้องแยกกันก่อนนะคือทําบุญโดยวิธีให้ทานเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแล้วก็อ น, นิสง์คือผลเนี่ยที่ ได้จากการที่เราทำบุญในการให้ทานเนี่ยก็อีกส่วนหนึ่งเพราะนั้นก็ต้องแยกกันก่อนเพราะนั้นถ้าเราเอามาปนกันสะทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันก็ทำให้ภาพมัน ค, คลุมเครือแล้วเราก็จะทำความเข้าใจได้ลาบากเพราะนั้นเราก็ลองมาฉีกประเด็นดูทีละอันทีละอันทีนี้ก็ต้องอยากจะให้ย้อนกลับไปถึงว่าพระเจ้าเนี่ยสอนอะไรก่อนพระเจ้าเนี่ยสอน เกี่ยวกับความทุกข์นะความทุกข์แล้วก็สอนวิธีว่าเราจะทํำยังไงเนี่ยให้ทุกเนี่ยมันหมดไปมันน้อยไปโดยที่เราทําไปทําไปเนี่ยสุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นผู้ที่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยปราศจากความทุกข์เพราะฉะนั้นวิธีการให้ทานเนี่ยก็เป็นวิธีที่วิธีหนึ่งหนึ่งในกระบวนการขั้นตอนในการที่เราเนี่ย จะเอาความทุกข์ออกไปจากชีวิตของเราได้ไม่ถึงเราเราได้บุญจากการบริจาคทีนี้เราก็มาดูก่อนว่าแล้วสาเหตุของความทุกข์ละ่ะมันมาได้จากไหนบ้างสาเหตุของความทุกข์เนี่ยพูะเจ้าเนี่ยไม่ได้เน้นว่าเราปฏิบัติธรรมะไปแล้วเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่ไม่ป่วยกายไม่ใช่นะแต่เราจะเป็นผู้ที่ไม่ป่วยใจก็คือใจเราเนี่ยจะไม่มีทุกข์ แต่ร่างกายเนะมีทุกได้ปวดหลังปวดเอวเนี่ยเป็นได้แต่พอเราฝึกหัดปฏิบัติธรรมะแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ที่มีใจเข้มแข็งทุกก็ไม่กลุ้มรุมจิตใจเราได้เพราะนั้นวัตถุประสงค์เนี่ยคือที่ใจอย่างเดียวเลยเพราะนั้นถ้าเราเอาประเด็นธรรมะต่างๆเนี่ยมาคร้ครวนแล้วเราลืมลืมมองย้อนจุด ด, ดั้งเดิมจุดตั้งต้นเนี่ย เราก็จะวิเคราะห์แล้วผ้ามันจะคลุ้งเคลืองั้นเราก็ต้องมามองย้อนว่าพระเจ้าเนี่ยสอนลงเน้นที่ใจนะฉะนั้นก็เราก็ต้องมาขมวดว่าทานเนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของใจเหมือนกันแล้วการที่เราให้ฐานเนี่ยเออมาได้อะไรกับใจเราบ้างแล้วกับวัตถุประสงค์เนี่ยที่ท่านวางไว้ก็คือว่าเกี่ยวกับความทุกข์ที่มันมีอยู่ในใจเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วก็ทํำมันนักสือกนะ หาเส้นได้ที่มันเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันมาก็คือว่าเราก็ต้องดูว่าเหตุของความทุกข์เนี่ยอะไรมันทําให้เรามีความทุกข์บ้างเชื้อของความทุกข์เนี่ยพระเจ้าก็ตรัสไว้ว่ามีโลภโทสะโมหะราคะเหล่านี้ทีนี้โลภเนี่ยก็คือความโลภความตระหนี่ที่มันมีอยู่ในใจเราก็คือความยึดความหวงความ ที่มันเป็นเจ้าข้าวเจ้าของคือเวลาเรามีความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยใจเรามันก็จะขุ่นมัวเศร้าหมองอึดอัดแล้วก็ไม่สบายสำคัญคือไม่สบายนี่แหละแต่ถ้าเราลองคิดดูว่าอาการที่ใจของเราเป็นอย่างนั้นเสร็จเนี่ยแล้วเราก็มีวิธีที่ทำให้อาการเหล่านั้นเนี่ยมันหายไปได้อาการที่ไม่ ไม่ถือว่ามันเป็นของเรามากจนเกินไปแล้วก็อาการตรงนั้นเนี่ยก็จางคลายหายไปได้ไม่ยึดไม่ถือยกตัวยอย่างเช่นถ้าเรามีเด็กๆเนี่ยใครๆก็ชอบของเล่นนะทีนี้ใครมาหยิบของเล่นเราไปเล่นเนี่ยโอ้โหมันเป็นเดือดเป็นแขนมากเราก็แต่ถ้าคิดดูว่าถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นของเล่นของเรานะใครจะหยิบไปเล่นใจเราก็ไม่ทุกข์ลวเพราะฉะนั้น อาการให้ใจมันไปยึดเนี่ยก็ามาจากจิตที่เขาเรียกเป็นโลพัชจิตมีความหวงมีความโลภมีความอยากได้ทําให้ใจเราเนี่ยมันขุนมัวเศร้าหมองอึดอัดแล้วก็ไปยึดเอาไว้การให้ทานเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือว่าให้เราเนี่ยรู้จักสละให้เรารู้จักหัดที่จะไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นกับสิ่งของเนี่ยที่เราคิดว่ามันเป็นของเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆนะ เพราะว่าถ้ามันเป็นของเราจริงๆเราก็ต้องสั่งมันได้มันก็ต้องอยู่กับเราจนตายกันไม่ข้างนึงกันว่ากันน่ะนะทีนี้มันก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเพราะนั้นการที่มันเป็นความจริงคือจะต้องพลัดพรากกันอยู่สักวันหนึ่งเนี่ยถ้ามันมาวันถ้าวันนั้นมันมาถึงเนี่ยเราก็ต้องมีความทุกข์แน่นอนเจ้าค่ะเพราก็หัดซะหัดใจเราเนี่ยให้รู้จักไม่ยึดไม่ถือมัน ถ้าวันหนึ่งที่มันจะต้องจากเราไปพลัดพรากจากเราไปเนี่ยเราก็จะไม่มีทุกข์นี่แหละเป็นเรื่องยากสำหรับคนทั่วๆไปนะเจ้าคะเพราะว่า เ, เราควรพระอาจารย์แนะนำได้ไหมคะว่าเราควรจะเริ่มสละจากอะไรจากของเล็กๆน้อยๆไปก่อนแล้วก็เป็นสิ่งของที่ใหญ่ขึ้นหรื อ, อยังไงดีเจ้าคะก็ก็สละ สิ่งที่ที่เรามีนั่นแหละคือเราก็ไม่ได้ไปขวนขวายหาในสิ่งที่ไม่ใช่ของเรามามาให้อะนะสมมติว่าเราอยากจะบริจาครถจกักรุ่วสักคันนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามีรถโตโยต้อย่างเงี้ยนะแล้วเราก็ไม่มีตงังจะไปซื้อรถมาด้วยนะทีนี้เราก็ทําอย่างอื่นก็ได้ซึ่งที่เรามีกําลังที่เราสามารถทําได้ก็คื อ, อใส่บาทนี่แหละ ใส่บาทตอนเช้าพระท่านมาบิณฑ บ, บาตเราก็ถ้าเราไม่มีเวลามากแล้วก็ไปตลาดซื้อกับข้าวใส่บาทก็ตังมันก็ตังของเรานะเราจะเก็บตังเอาไว้เราจะไม่ไปซื้อของใส่บาทเราก็ทําได้แต่ทีนี้เราก็หัดหัดที่จะอเอาตังเราไปใช้แล้วก็ให้เป็นการให้ทานอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราเนี่ย ได้ขดจัดลงไปว่าเออเนี่ยนะของที่มันมีของเราเราก็ให้คนอื่นได้แล้วเราก็ให้กับคนที่ เ, ออเขาเรียกว่าเป็นผู้ควรเก่การรับพอเราให้กับเขาไปแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกยินดีเกิดขึ้นว่า อ, อ๋อวัตถุทานที่เรามีนะแล้วก็การให้ที่เราให้ไปเนี่ยมันก็ไม่เสียประโยชน์เกิดประโยชน์เกิดขึ้นทานเราก็ไม่เศร้าหมองเจ้าค่ะแต่ทีนี้ เราให้ไปแล้วเนี่ยในส่วนของคนให้เองเนี่ยก็ท่านก็ว่าไว้ถึงสามเวลาคือเวลาก่อนที่เราจะให้ขณะที่เราให้แล้วก็หลังที่เราให้ไปแล้วอันนี้คือเฉพาะในส่วนของคนที่ให้นะยังไม่นับในส่วนของคนรับนะเจ้าค่ะเพราะนั้นสำหรับผู้ให้เองเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวเองเนี่ยถึงสามขณะเลยขณะก่อนจะให้ขณะให้แล้วก็หลังให้ ตรียมตัวยังไงก็คือเตรียมใจว่าเราเนี่ยจะไม่มีความยึดไม่มีความหวงไม่มีความเสียดายในสิ่งของของสิ่งนั้นที่เรากําลังจะจะให้กําลังจะสละนะซึ่งพอสิ่งที่เราเนี่ยให้ไปแล้วหมายถึงว่าใจที่มันเป็นโลภเนี่ยมันก็จะโดนกําจัดไปอืมยกตัวอย่างน่าจะเห็นภาพมากขึ้นนะแล้วก็ จะเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังชื่อว่าจูเลกะสาดกเขาแปลว่าเป็นพรามนะชื่อว่าจูเลกะสาดกก็คือพรามเนี่ยอยู่กับภรรยาสองคนก็ไม่มีลูกนะทีนีออ้อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเขาก็เห็นคนเยอะแยะมากมายเลยกำลังเดินไปเดินไปแล้วก็เกิดสงสัยแล้วก็เลยไปถามเขาว่าอ้าวพวกเธอไปไหนกันล่ะก็ เขาก็ได้รับว่าอ๋อเนี่ยพวกเราเนี่ยนะกําลังจะไปฟังธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยกําลังแสดงธรรมอยู่เราจะไปฟังธรรมกันท่านกเ็เกิดความคิดว่าเฮ้ยเราก็อยากจะไปฟังธรรมเหมือนกันนะแต่พอดีว่าทีนี้พูดถึงเครื่องแต่งกายกว่าอนก็ถ้าเรานึกย้อนกลับไปเนี่ยสมัยนั้นถ้านึกภาพเป็นพราหมณ์จะจะ เข้าใจง่ายรผ <smoothly S 2> ราขาวพระเนี่ยก็คือเขาจะมีผ้าที่คล้ายๆนุ่งจงกระเบนอั น, นหนึ่งนะก <Okay. S 1> ็คือผ้าพ้านุ่งแล้วก็ผ้าห่มก็คือเหมือนที่ว่าเหมือนสลี่ยังไงเงี่ยที่เขาห่มก็ถ้าเป็นพระก็เหมือนว่าสบงตัวหนึ่งจีวรตัวหนึ่งอย่งางเงี้ยนะซึ่งไอ้ผ <stink> ้านุ่งเนี่ยเขาก็มีกับมีคนละผืนกับภรรยาส่วนไอ้ผ้าห่มเนี่ยก็คือเหมือนคล้ายคลักษณะเป็นจีบอลอย่างเงี้ยที่ก็ห่มเอาไว้ปกปิดท่านบนเนี่ยเขาก็ ใช้ชร่วมกันใช้ร่วมกันกับภรยาเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะออกจากบ้านเนี่ยเขาก็จะต้องผลัดกันออกไปทีนี้ด้วยว่าตัวเองอยากจะไปฟังธรรมเนี่ยก็เลยไปปรึกษากับภรรยาว่าเนี่ยเราเนี่ยอยากจะไปฟังธรรมแล้วเธอล่ะอตัวภรยาเองก็อยากจะไปฟังธรรมเหมือนกันทีนี้ก็เลยปรึกษากันว่าเนี่ยเรามีผ้าอยู่ผืนเดียวเนี่ยแล้ ว, ลวถ้าเธอไปกลางวันฉันจะไปกลางคืน ถ้าเธอไปกลางคืนฉันจะไปกลางวานันก็ตกลงไปนั้นว่าภรรยาเขาจะไปกลางวานันแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยเขาพอภรรยากลับมาแล้วช่วงเย็นเขาก็ไปฟังธรรมช่วงเย็นซึ่งพอไปนั่งฟังธรรมเนี่ยช่วงเย็นไปแล้วเนี่ยก็นั่งจนหัวค่ําไปแล้ะฟังไปฟังไปความปิติความยินดีที่ได้ฟังธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วตัวเองก็คิดว่าแม่ธรรมเนี่ยเป็นธรรม ดีมากเลยนะเราก็อยากจะเขาเรียกว่าถวายของอะ่ะให้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาให้มันสมค่ากับเป็นธรรมอันดีที่เราได้ฟังอะไรอย่างนี้นะถวายผ้าซะเลยก็เจ้าค่ะ<า>ิดว่าสมบัติของเราเนี่ยก็ไม่มีอะไรมีแค่ผ้าห่มอันเนี่ยคือผ้าห่มอีกคือท่อนบนเนี่ยนะอยู่ผืนเดียวเท่านั้นแหละเอ้ทีนี้พอคิดคิดอยู่เนี่ยไอยจิตที่ว่า ถ้าเราให้ไปแล้วเนี่ยภรรยาเราก็ไม่มีใส่ก็เลยยั้งรอไว้ก่อนก็ผ่านเขาเรียกว่าก็สมัยก่อนเขาไม่ได้เป็นใช้เวลาเป็นหนึ่งทุ่มสองทุ่มเหมือนบ้านเราตอนนี้นะเขาจะใช้ว่าปฐมยามผ่านไปแล้วทีนี้มัชชิมยามก็เกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาอีกอยากจะถวายเหลือเกินโอ้ดีมากปิติเกิดขึ้นทีนี้ความที่ว่าโอ้เดี๋ยวภรรยาเราจะไม่มีผ้าใส่นะก็ ยังรอไว้ก่อนยังรอไว้ก่อนจนปชิมยามเข้ามาแล้วก็คือยามสุดท้ายแล้วยามสุดท้ายของราตรีเข้ามาก็เกิดความอยากที่จะถวายอีกแล้วแต่ทีนี้ก็คิดได้ว่าเราไม่รอแล้วก็เอาไว้จะเป็นไงก็เป็นการถวายก่อนองนนะก็ได้เอาผ้าเนี่ยถอดไปแล้วก็ไปวางแทบ บาดมูลของพระพุทธเจ้าแล้วก็พอถวายไปแล้วเนี่ยตัวเองก็ดีใจมากแล้วก็ตะโกนดังๆนะโอ oh, ้ชนะแล้วชนะแล้วชนะแล้วเงี้ยนะตะโกนดังมากเลยด้วยความ<น>ดีใ จ, ใจตัวเองได้ทีนี้พระเจ้าประสิะทธิโกศลเนี่ยก็ไปฟังทำด้วยคืนนั้นเนี่ยก็เลยได้ยินก็เลยเรียกให้ราชบุรุษเนี่ยไปถามว่าเธอชนะอะไรเนี่ยค้าตะโกนอะไรกันแล้วก็พอราชบุรุษกลับมาก็ กราบทูลว่าอ๋อเนี่ยเขาตะโกนว่าชนะแล้วชนะแล้วพระเจ้าค้าแล้วเขาชนะอะไรล่ะเขากราบทูลว่าไปเรียกพรามนั้นมาเลยมามากราบทูลว่าข้าพเจ้าเนี่ยก็ เ, เล่าเรื่องให้ฟังว่ามีความคิดความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นทีนี้พอได้ถวายทายไปแล้วก็เลยคิดว่าเนี่ยข้าพเจ้าชนะใจของข้าพเจ้าได้แล้วแหะก็เลยดีใจมากก็เลยเปล่งอุทานตัวนี้ออกมาอ่าพอพระเจ้าเสนาทิโกสนเนี่ยฟังไปแล้วก็เกิดปลื้มมากโห บุคคลคนนี้นะเป็นคนจนขนาดนี้นะหาเช้ากินข้ามสมบัติก็ไม่มียังคิดจะทำบุญให้ทานแล้วก็ทำบุญให้ทานเนี่ยในส่วนที่เขาเรียกว่าในบุคคลที่พระองค์ก็นับถือด้วยโอ้ mm hmm. มันเป็นคนดีมากก็เลยพระราชทานผ้าให้สองผืนก็คือทั้งผ้า น, นุ่งพระห่มเนะี่ยะให้สองืนก็พอตัวเองได้รับมาปุ๊บเนี่ยด้วยความปีติยินดีที่ได้ให้เนี่ย แมมันยังไม่หนำใจเพราะเรามีสมบัติแล้วเอาไปถวายอีกอย่างจะถวายอีกถวายอีก2ผืนที่ได้มาก็ถวายไปอีกพระเจ้าปเสณานิโกศว์นี่ก็เห็นว่าโอ้ยเราให้ไปลก้ก็ถวายไปอีกเอาไปเลย4ผืนแล้วก็ตัวเองได้มา4ี่ผืนก็ถวายไปอีกจนทําอย่างเงี้ยอยู่จนถึงครั้งที่พระเจ้าปเสนานิโกศว์จาก4เป็น8เป็น16แล้วก็เป็น32ซึ่งก็มาคิดได้ว่า จุเลกกาสาดกพรามนะก็มาคิดว่าเออถ้าเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวคนเขาจะติเตียนเอานะว่าโอ้ได้เท่าไหร่มาก็ถวายหมดอย่างเดียวไม่เคยคิดจะเอาเลยอย่างเงี้ยนะก็เลยเอาไว้สองผืนเอาไว้ของตัวเองผืนหนึ่ ง, องเอาไว้<ร>ให้ภริยานะผืนหนึ่งแล้วก็ที่เหลือเนี่ยสามสิบผืนเนี่ยก็ถวายพระพุทธเจ้าไปก็เลยพระเจ้าเสนาธิโกศลเนี่ยก็เห็นว่าโอ้ดีละเป็นคนที่ดีมากก็เลยให้ราชบุรุษเนี่ย กลัไปเอาผ้ากำพลมาสองผืนผ้ากำพลเป็นผ้าที่แพงมากนะมีค่าแสนหนึ่งโอ้แสนหนึ่งสมัยก่อนสองพันกว่าปีนมากนะก็เลยว่าให้ไปสองผืนตัวจุลิกศาศถดพรามเนี่ยเขคิดว่าโอ้ผ้าแพงมากเลยนะไม่เหมาะกับเราหรอกถาวายไปดีกว่าแั้นเราก็อ่เอาไปขึงเพราะมันเป็นผ้าผืนใหญ่อ่นะก็เอาไปขึงเป็นเพดานเพราะว่าบ้านสมัยก่อนเนี่ยหรือว่ากุฏิอาคารสมัยก่อนเนี่ยมันทํามาจาก เป็นดินแล้วก็เป็นอิฐอะไรพวกนี้มันก็จะมีเศษผงเศษอะไรที่มันคอยหล่นลงมาอยู่เรื่อยแหละก็เลยเอาไปขึงเป็นเพดานเอาไว้ในโรงฉันของพระผืนหนึ่งอีกผืนหนึ่งก็เอาไปขึงที่พระกันทักกุฎีก็คือกุติของพระเจ้าเนี่ยก็กันไม่ให้มีฝุ่นมีอะไรตกลงมาที่ข้างล่างไม่ให้มากระทบพระ เ, เจ้านะก็เลยก็กลับบ้านไปแล้วก็พร้อมกับผ้า ที่ตนเองได้มาทามี่พระเจ้าก็ไม่ใช่สิพระเจ้าเป็นเสนาธิโกส่นเนี่ยก็มาทําบุญกับพระเจ้าอีกก็สังเกตว่าเอา้าผ้านี้มันผ้าที่เราให้อพรามณคนนั้นไปนะก็เลยถามพระเจ้าก็คุยไปคุยมาก็ได้ทราบว่าอ๋อพรามนั้นก็เขาก็มาถวายอีกก็เลยโอ้พรามน์นี้มันเป็นคนดีมากก็เลยให้ราชบุรุษเนี่ยเรียกมาบอกเธอไปจัดของมาเราจะถวายเอ้ยเราจะให้ของกับ จุลิกาสาดอกพรามเนี่ยเอาทั้งเอาคือของที่มีอยู่เอาแบบมีทุกชนิดนะให้ไปให้หมดอย่างละสี่อย่างละสี่อย่างละสี่ท่าก็ยกว่าม้าสี่ช้างสี่วัวสี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะธาตุสีธาตุผู้หญิงสี่ธาตุผู้ชายสี่อะไรเงี้ยก็ให้ไปคือใช้คําว่าหมวดของวัตถุสี่ทั้งปวงให้ไปทีนี้พวก ภิกษุก็เลยเอามาคุยกันสนทนากันเนี่ยเรื่องนี้ในธรรมสภาคุยกันไปคุยกันมาพระเจ้าก็เดินมาพอดีก็เลยถามว่าแล้วพวกเธอคุยอะไรกันล่ะก็เลยเล่าให้ฟังพระเจ้าก็เลยตรายว่าเนี่ยยังไม่น่าส จ, จารย์หรอกจริงๆแล้วเนี่ยผลการให้ทานเนี่ยนะถ้าเขาให้ในมชิมยามเนี่ยเขาจะได้เป็นแปดหมายถึงว่าหมวดแปดของวัตถุทั้งปวงแล้วก็ ถ้าเขาให้ในปฐมยามเนี่ยมันจะเป็นสิบหกเพราะว่ารามคนนี้เขาให้ในช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้า ย, ายก็เลยได้แค่สี่ใช่เพราะนั้นเสร็จแล้วเนี่ยพระเจ้าก็เลยตรัสพระคาฐานหนึ่งขึ้นมาว่า เ, าเวลาเราทำดีอันนี้ก็โดยอัดนะคงจะไม่ได้จำได้ทุกตัวอะไรเนี่ยก็เอาความหมายแล้วกันก็ประมาณว่าเวลาทำดีเนี่ยก็ให้รีบทำอย่าปล่อยให้ความคือจิต ที่เป็นอกุศลเนี่ยมันครอบงําเพราะว่าถ้าเราทําดีช้าเนี่ยจิตที่มันเป็นอกุศลเนี่ยมันก็จะมาครอบงําจิตที่มันเป็นกุศลแล้วมันก็จะไปยินดีในบาปที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นเวลาทําดีเนี่ยจริงต้องอย่าปล่อยให้นาทีทองของจิตกุศลที่มันเกิดขึ้นน่ะปล่อยผ่านไปอืแหมพราหมณ์คนนี้นี่ช่างเป็นผู้ที่เสียสละแล้วก็ได้ต้องเรียกว่าได้อานิสงค์จากบุญที่ตัวเองทําเนี่ยทันตาเห็นเลยนะจ๊ะคะ เพราะว่าได้ทำบุญกลับกับพระพุทธเจ้าด้วยก็จึงได้อนิสงฆ์มากทีนี้ก็ก็เป็นเรื่องเทียบเคียงเนี่ยให้เราได้เห็นว่าวิธีการทําบุญก็คือว่ามันมุ่งเน้นที่ไหนอ่ะพระเจ้าก็ตรัสในพระคถาแล้วมุ่งเน้ที่จิตนี่แหละว่าจิตที่มันเป็นกุศลเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยอย่าปล่อยผ่านไปนะแล้วถ้าจิตที่มันเป็นกุศลแล้วที่อาจิตกุศลตัวเนี้ยไม่โดนอกุศลเบียดบังเนี่ยอนิสงฆ์คือผลเนี่ยมันก็จะได้มาก แต่ถ้าเราทําบุญแล้วแล้วก็เรารู้สึกเฉยๆแบบที่คุณมณีเนตถามไอ้ความรู้สึกเฉยๆนี่คงจะหมายถึงอารมณ์ที่ไม่ได้อยู่ในใจที่มีปิติกับการทําบุญในครั้งนั้นนั้นคือทีนี้เราก็ต้องมาดูเพิ่มเติมว่าการให้จิตเอามาเป็นกุศลเนี่ยไอ้ปิติเนี่ยคำว่าปิติความอิ่นใจเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในกุศ ล, ลจิตเหมือนกันแต่มันก็ไม่จําเป็นว่าเวลาเราให้ทานเนี่ย ตัวปิติเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นทุกครั้งมหมายความว่ามันจะเกิดขึ้นก็ดีหรือมันจะไม่เกิดขึ้นก็ดีเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวเราก็ต้องมาดูว่าวัตถุประสงค์คืออกุศลจิตก็คือโลภะจิตเนี่ยมันโดนขจัดออกไปขจัดออกไปไหมเราให้ด้วยจิตที่ไม่ยึดมั่นถึงมั่นในของเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเรามองแค่ตรงนี้เนี่ยเราก็สําเร็จวัตถุประสงค์ของการให้ฐานแล้วละ่ะคือเน้นไปที่ใจว่า ใจเราเนี่ยได้โดนซักฟอกนะจากกิเลสเอากิเลสที่มันมีอยู่ในใจเนี่ยซักฟอกในการให้ฐานไปโลภะที่มันมีอยู่ในใจเราก็ได้ขูดกล่าออกไปขูดกล่าออกไปนี่แหละคือตัวบุญนะบุญคือความที่จิตเราเนี่ยมันผ่องใสจิตเราเนี่ยมันสบายจิตเราเนี่ยอ่าคุยง่ายคือจิตที่มันเป็นกุศลเนี่ยก็คือจิตที่มันเป็นบุญนะ น, นแสดงว่าเราแม้ว่าเราจะไม่รู้สึกปิติแต่เราก็ได้บุญอยู่ดีถึงเราทําทานแล้วเราไม่อธิษฐานเราก็ได้บุญอยู่ดีมันแน่นอนเพราะว่าบุญก็คือตัวลักษณะของจิตนี่แหละจิตที่มันไม่ขุนมัวไม่เศร้าหมองก็คือกิเลสที่มันโดนขัดเกลากออกไปเนี่ยก็คือนี่แหละมันเป็นตัวบุญเกิดขึ้นส่วนที่เราเข้าใจกันบุญบุญบุ ญ, บญในสิ่งที่เราเข้าใจน่ะเขาเรียกว่าอนิสง์ของบุญก็คือเหมือนอย่างที่จุลิกาสาศดเนี่ย เขาก็ไม่ได้หวังนะว่าเขาจะได้ผ้าหรือว่าเขาจะได้อะไรคือเขายินดีมากที่เขาได้ขจั ด, ดบุญขจัดจิตที่มันเป็นอกุศลของเขาเนี่ยออกไปแต่ผลที่ได้ก็คือว่ า, าเขาก็ได้สิ่งตอบแทนที่มันเกิดขึ้นว่าพระเจ้าพระเศะียนัติโกศลเนี่ยก็ให้สมบัติมากมายเลยจากการที่เขาได้ทําบุญโดยการให้ทานกับพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นเพราะนั้นอานิสงส์ของบุญเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยนะ มันเป็นเขาเรียกว่าผลผลพลอยได้เหมือนเราอยากได้เราปลูกต้นไม้ดอกผลเนี่ยมันก็เป็นส่วนอัตโนมัติที่เราจะได้อยู่แล้วก็เหมือนการทำบุญใช่ไหมเจ้าคะคือเราทำแต่เราแต่ทีนี้ไม่ได้อยากได้หรือว่าไม่ได้ขอไม่ได้อธิษฐานเราก็ต้องได้ผลนั้นอยู่ดีต้องได้อยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าสมัยเนี้ยเราทำบุญกันเนี่ยเราทำหวังผลนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกระจูลเลกัสสะดกเนี่ยที่ว่า ดอูอกขศลจิตเนี่ยครอบงำไปในช่วงปฐมยามกามชิมยามแต่มันจะคนละเค ส, เคสกันแหละเพราะว่าอันนั้นเขาเกิดความเสียดายแต่อันนี้มันเป็นโลภะจิตที่มันเกิดขึ้นจริ ง, รงๆคือว่าเราทําแล้วเราก็อยากได้นูน่นได้นี่ในสิ่งเป็นสิ่งตอบแทนจากการที่เราทำเขาเรียกว่าเป็นการช้อปปิ้งนะช้อปปิ้งเราเอาอันนี้เอาของอันนี้ไปเอาอันนี้ให้เขาไปปุ๊บแล้วเราได้บุญกลับมาเป็นการช้อปปิ้งตอบแทน ซึ่งไอบุญที่เรากาลังคิดอยู่เนี่ยก็คือผลผลของบุญซึ่งมันไม่ใช่ตัวบุญเลยเพราะฉะนั้นเราทําบุญอย่างเงี้ยแน่นอนว่าไม่ได้บุญมากเขาเรียกว่าฐานที่เราให้มันก็เศร้าหมองลงไปเพราะฉะนั้นการทําบุญถ้าเราเข้าใจวัตถุประสงค์เนี่ยเราจะทําบุญได้ถูกต้องแล้วก็ได้บุญมากโดยอัตโนมัติของเราเพราะเราเข้าใจแต่ถ้าเราทําบุญแล้วเราก็ขอขอขอขอข อ, ขออย่างเงี้ยมันก็เป็นการที่เราทําเพื่อ สังสมอกุสุรจิตอยู่แล้วสั่งสมโลภะจิตซึ่งมันผิดวัตถุประสงค์ของการให้ทานอยู่แล้ววันนั้นบุญที่มันได้เนี่ยมันก็จะได้แต่มันก็ได้ไม่เต็มเม็ด เ, เต็มหน่วยมันถ้าเราทาแล้วเราก็ไม่ได้หวังไม่ได้ขออะไรแล่ว เ, เ, เรามุ่งเน้นแต่ว่า เ, เราได้จัดกําจัดโลภะจิตของเราไปนะอะไรเงี้ยงั้นงั้นที่คุณมณีเนตรรู้สึกเนี่ย ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ทําถูกต้องแล้วถึงแม้ว่าบางครั้งที่เราจะรู้สึกปิติกับการทําบุญหรือว่าการให้ทานหรือบางครั้งเราจะาไม่รู้สึกก็ตามอย่างไรแล้วก็คงก็ได้บุญทั้งสิน้นยิ่งไม่มีการขอก็ยิ่งยิ่งดีใหญ่เลยนะเจ้าคะแต่มันก็ต้องคืออันนี้มันไม่มีใครรู้นอกจากจิตของเราอะนะเรารู้ว่าเราทําบุญด้วยจิตแบบไหนเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยสอบสอบทวนจิตของเราเนี่ยขณะให้เป็นยังไง แล้วก็ก่อนก่อนให้เป็นยังไงขณะให้เป็นยังไงหลังให้เป็นยังไงอันนี้แนะเราต้องคอยสอบทวนของเราเนี่ยตรงนี้ให้ดีเพราะถ้าเราไม่ไม่สอบทวนอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นว่าความเคยชินก็สักสักว่าทำไปอันนั้นมันก็จะไม่ได้ขจัดความโลคความตันนีออกไปด้วยแหละแล้วก็หรือไม่ก็ทำไปยิ่งทาไปก็ยิ่งโลภโลภโลภโลภเกิดขึ้นอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันก็ทาให้อ่า การทําบุญของเราเนี่ยก็ต้องมองย้อนเข้าใจให้มันถึงวัตถุประสงค์ที่ว่าพระเจ้าเนี่ยวางเอาไว้แบบไหนด้วยแล้วก็ทําให้ถูกต้องอย่างความรู้สึกของอย่างคุณของคุณมณีเนตรเนี่ยตัวโยมเองก็เป็นเพราะว่าบางครั้งที่เราทําบุญเราก็จะรู้สึกปิติแต่บางครั้งก็จะรู้สึกเฉยเฉยแต่ตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่เอทําทบุญแล้วไม่ค่อยอธิษฐานมไม่ค่อยขออืก็ก็คือทําด้วยด้วยความที่แบบเอ จิตเราเป็นกุศลอย่างที่พระอาจารย์บอกอะนะเจ้าค่ะทีนี้มันอยู่ที่ว่าจะขอดีหรือไม่ขอดีใช่ไหมประเด็นอยู่ที่ว่าขอหรือไม่ขอประเด็นเนี่ยอันนี้ขอหรือไม่ขอเนี่ยอถ้าจะพูดประเด็นเนี้ยเี่ยก็คือขอหรือไม่ขอเนี่ยไม่เกี่ยวกันเจ้าค่ะทีนี้จะขอเนี่ยก็ต้องขอให้เป็นถ้าขอไม่เป็นมันก็กลายเป็นความโลภไปนะแต่ถ้าเราขอเป็นเนี่ยมันก็มันก็ไม่โลภนะเช่นเราไม่ควรจะขอขอเลข ขอเลขเด็ดอะไรแบบนี้นะเจ้าคะ่ะแน่นอนเลยเหรือไม่ <c oughs> ก็เราทําบุญนะขอให้ได้รวยเป็นร้อยล้านแสนล้านเ <c oughs> งี้ยก็อันนี้มันก็เป็นโ<อ>ลภจิตอยู่แล้ว <c oughs> ทีนี้อ่ถ้าเราดูในหนังเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็บอกให้อธิษฐานเอาแล้วนะอธิษฐานอธิษฐานก็ขอเนี่ยมันเหมือนกันไหมละ่ะก็เหมือนกันนะเจ้าค่ะมันเหมือนขอนะ <c oughs> เหมือนกันนะแต้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะขอหรือไม่ขอเนี่ย มันไม่ใช่ประเด็นจะขอก็ได้แต่ต้องขอเนี่ยมันก็มีอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นข้อมินจฉยของเราเองน ะ, ะ, ะนนที่บางทีเกิดบางคนฟังแล้วเกิดคิดว่าเอาไปเป็นมาตรฐานว่าท่านสอนอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือว่าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นมติของเราเองก็จะขอหรือไม่ขอเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นแต่ขอเนี่ยก็ต้องขอให้เป็นขอยังไงไม่ให้โลภะจิตมันเกิดขึ้นอันนี้ตัางหากที่เราต้องควรทําคือไม่ขอเยอะเกินไปใช่ไหมเจ้า ค, คะไม่ใช่ก็ต้องขอ ขอในที่เนี้ยแล้วบอกว่าขอให้เรารวยขึ้นไม่ได้บอกรวยเท่าไหรนะ่มันก็เป็นโลภจิตเหมือนกันแต่ถ้าขออย่างไงไม่ให้เป็นโลภจิตก็คืออย่างเช่นเราทำเนี่ยเพื่อที่จะให้เรามีกําลังใจมากขึ้นนะหมายความว่าโอ้นี้เราทําเพื่อครั้งนี้เราได้ทดําดีทำดีเสร็จปุ๊บเราก็หวังพระนิพพานเราหวังพระนิพพานวันนี้เราทําดีระหว่างพระนิพพานนะเราก็มันมีกําลังใจในการที่เราได้ทําดีเกิดขึ้น แล้วก็เอากนลังใจที่ดีครั้งเนี้ยเอาไปเป็นแรงที่เราจะทำดีมากขึ้นทำให้มักแปดของเราจเจริญมากขึ้นถูกตรงมากขึ้นแล้วก็เราก็จะได้ไปถึงมรรคผลนิพพานที่เราปรารถนาหวังไว้คือทำมันก็ต้องมีเป้าหมายน ะ, ะ, ะแล้วทีนี้ว่าเราจะทำยังไงไม่ให้สิ่งที่เราหวังมันมาเป็น อกุศลและจิตเกิดขึ้นต่างหากอันนี้มันสําคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราทําไปแล้วหมายความว่าเราตั้งจิตไว้ว่าถ้าอย่าเมื่อกี้เราว่าให้มันมาเป็นกํำลังใจให้เราตั้งใจที่เราจะทําดีมากขึ้นทําดีให้มันเข้มข้นขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้เราตั้งจิตไว้ถูกแล้วล่ะเพราะว่าเป็นจิตกุศลแต่ถ้าเราทําว่าขอให้เราได้เป็นพระอริยะบุคคลเร็วๆขออย่างนี้มันก็ มันก็เข้าขายไปนะ็นอุปส่วนนิดๆ น, นนะนักๆมันขออะแต่จริงๆแล้วมันต้องแบบว่าเอาสิ่งที่เราจะขอเนี่ยทำให้มันเป็นกําลังใจดีกว่าทําให้เป็นกําลังใจที่เราจะทําดีมากขึ้นทําดีต่อไปแล้วก็ไม่ติดเบรกอะไรอย่างนี้นนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรทําควรตั้งจิตไปอย่างนี้เจค่ะมีสองคำที่เชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะคุณมณีเนตรที่สงสัยนะคะหลายๆหลายๆคนผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะสงสัยเหมือนกันอาจจะแยกแยะ โดยละเอียดไม่ได้คําว่าบุญกับคําว่าอานิสง์เนี่ยต่างกันอย่างไรเจ้าคะา น, นิสง์ก็แปลว่าผลนะนะอันนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับเรื่องของจุลิกาสาดอกเนี่ยก็คือว่าการที่เราเขากล่าวคําว่าชิตตังเมคือเราชนะแล้วชนะแล้วเนี่ยอันนี้คือคือบุญเนี่ยนะที่มันเกิดขึ้นแล้วละ่ะส่วนผลของบุญก็คือที่เขาได้ผ้าอะไรมากมายต่างๆที่เขาได้รับมาจากจจพระเจ้าภเศสนธิกุศลเนี่ยอันนี้คือผลของบุญอืมอ่าถ้าเปรียบเทียบเนี่ย มีมีนักปราับบางท่านเนี่ยท่านก็เปรียบเทียบไว้ดีมากคือบุนเนี่ยนะท่า น, นเปรียบเทียก บ, นนยนะยบยกับความรู้ก่อนถ้าเปรียบเราเหมือนว่าเราบอกว่าคนมีความรู้นะความรู้ที่ดีมันก็นํามาซึ่งการงานแล้วก็รายได้ที่ดีแต่มันก็ไม่เสมอไปนะบางคนมีความรู้ดีแต่การงานหรืรายได้มั น, ม, นมันไม่เหมาะส ม, มก็มีนะเพราะฉะนั้น ไอ้ความรู้เนี่ยการที่เราศึกษาเร่าเรียนเนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อเราหวังว่าเราจะมีงานที่ดีมีเงินที่ดีใช่แต่ความรู้เนี่ยนะสมมติว่าความรู้มันก็มีฤทธิ์ของมันนะอย่างเช่นเราเรียนหนังสือดีเราทาคะแนนได้ดีเป็นสมมติได้เกียรตินิยมอะไรอย่างเงี้ยนะสมัยก่อนเราก็จะเห็นว่าตอนที่ยุคเศรษฐกิจมันดีเนี่ยเขาก็มาจองตัวเลยนะมาจองตัว ที่ยังเรียนไม่จบว่าจองตัวไว้ก่อนแล้วล่ะใช่เพราะว่าถ้าใครเกต ด, ดีเนี่ยเขาก็จะสถานที่แบบที่ทํางานที่เป็นองค์กรใหญ่ๆเ้าก็จะมาจองตัวคนที่คะแนนสูงไว้ก่อนอันนี้มันเป็นผลของความรู้นะผลของความรู้ที่เราศึกษาเราเรียนแต่มันไม่ใช่ตัวความรู้นะใช่พะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความรู้มันมีผลของมันอยู่ขอนก็มันคือทําให้เขาได้รับการที่ว่าอ่าโปรโมตอยู่ในตําแหน่งที่ดีแล้ว มาจองตัวอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นบุญก็เหมือนกันนะบุญเนี่ยก็คือความผ่องใสความสบายใจแล้วก็กิเลสที่มันโดนขัดเกลาไว้นะเป็นตัวบุญส่วนผลของบุญก็อย่างที่ได้ว่ากันไปแล้วก็คือที่เราเห็นกันภายนอกนั่นแหละบุญมันก็มีฤทธิ์ให้ได้อย่างโน้นบ้างอย่างนี้บ้างแต่มันก็ไม่จําเป็นว่ามันจะต้องให้ได้ผลอย่างที่เราคิดเสมอไปนะเพราะว่าอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันจะให้ผลตอนไหน ช้า จ, จะเร็วอันนี้เรากําหนดมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราบอกว่าโอ้จําบุญแล้วเนี่ยให้ทานแล้วเนี่ยไม่เห็นมีอันนี้สองเลยอันนี้เราก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเนี้ยมันจะไปให้ผลตอนไหนเราก็ไม่มีไม่มีความรู้ที่เราจะไปรู้มันได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปหวังบอกผลเพราะว่าถ้าเราไปหวังเนี่ยมันก็1เป็นโลภเกิดขึ้น2มันก็สร้างความรอ้ร อ, รอนร้อนมันเกิดขึ้นในใจเราเพราะฉะนั้น เราได้ทำดีนะ่ะดีแล้วพอแล้วล่ะไปจบวางใจของเราเนี่ยอยู่แค่แค่ตรงนั้นเนี่ยดีที่สุดแหละนี่แหละค่ะพูดถึงการวางจิตวางใจนี่แหละคุณมานิเน่เขาก็มีคำถามสุดท้ายมาถามด้วยนะคะว่า อ, อ่สิ่งที่ถูกต้องในการทําทานรักษาศีลและภาวนาเนี่ยเราควรจะวางจิตอย่างไรในขณะที่เราทําทานหรือว่าเรารักษาศีลแล้วก็ภาวนาวางจิตอย่างไรถึงจะถูกต้องเจ้าค่การให้ทานเนี่ยนะ ก็เมื่อกี้เราก็พูดมาเยอะแล้วละก็คงจะพอสรุปได้แล้วก็จะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็คือว่า1การให้ทานจุดประสงค์เขาก็คือว่าเรากำจัดความตรณีความโลภที่มันมีอยู่ในใจเราแต่การที่เราจะเอาความโลภความตรณีออกจากในใจเราได้เนี่ยมันจะต้องเ้าเรียกว่าอาศัยอาศัยอุปกรณ์ในการที่เราจะเอามันออกก็ต้องมีวัตถุก็คือมีตัววัตถุทานอันหนึ่งแหละมีผู้ให้แหละมีผู้รับแหละ ทีนี้ในส่วนของวัตถุทานก็ดีเนี่ยก็ก็ต้องเป็นวัตถุทานที่มันบริสุทธิ์ด้วยคือเราไม่ได้ไปฉก ช, ชิงมิ่งราวใครมาอานี้นะหาไม่ได้น้าพักน้ําแรงของเราก็เป็นวัตถุทานที่บริสุทธิ์ส่วนผู้รับก็เป็นผู้รับที่ดีก็อย่างเช่นมีผู้มีศีลเป็นต้นจนถึงภาระญาบุคคลเป็นที่สุดนะเพราะฉะนั้นแต่ในส่วนของผู้ให้เองเนี่ยเราก็ต้องวางจิตว่าเราไม่มีความรู้เกิดขึ้นในขณะก่อนให้ หรือขณะให้หรือหลังให้ใหไปแล้วเพราะนั้นถ้าเราทำได้ครบทั้งสามขณะเนี่ยทานเราที่ให้ไปก็จะไม่เศ้าหมองแล้วก็มีผลมากอันนี้ก็คือเราก็วางจิตของเราให้มันเป็นกุศลอย่างนี้นะมีคำถามแ ล, แล้วเรื่องรักษาศีลแล้วก็ตอนภาวนาเหรคะอ๋อรักษาศีลกับภาวนาเนี่ยก็ดีขึ้นโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เหมือนกันให้ทานแล้วเพราะว่า อาหารเนี่ยเขาต้องมีวัตถุฐานแต่รักษาศีลกับการเจริญภาวนาเนี่ ย, ยมันเป็นเรื่องของใ จ, ใจล้วนๆเพราะฉะนั้นการรักษาศีลเนี่ยท่านก็อแจกแจงมาให้ฟังว่าอาถ้าในเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่ทุกคนที่ควรจะต้องมีแล้วก็เพื่อทําให้อใจเราเนี่ยไม่มีทุกข์มีโทษเดือดร้อนขึ้นมาก็กคือศีลห้าแล้วก็อันนี้สองศีลห้าเนี่ยเราก็ได้พูดไปแล้วใน ตอนแรกถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็กลับไปฟังได้ในเอพิโซดวันใช่ใชส่วนการเรารักษาสีห้าไปแล้วเนี่ย <5. S 1> ก็ถ้าเราอยากจะให้มันดีขึ้นเข้มข้นขึ้นแล้วก็มีภูมิต้านทานกับความทุกข์ที่มันมากขึ้นเนี่ยเราก็ไปติดตามได้ในเอพิโซดที่2ที่ว่าด้วยเรื่องของสีแปดนะแล้วก็การเจริญภาวนาเนี่ยก็คือการที่เรามาฝึกหัดจิตใจเราเนี่ยโดยตรงเลยก็การที่ ทำให้ใจเราเนี่ยมีสงบมีความสงบมีอารมณ์เป็นหนึ่งเพื่อที่จะอย่างน้อยเนี่ยน้อยที่สุดคือถ้าเรามีจิตใจที่มันสงบแล้วเนี่ยหมายถึงว่าสงบในอารมณ์ที่มันเป็นกุศลด้วยนะพอสงบในอารมณ์ที่มันเป็นกุศลแล้วเนี่ยเราก็จะมีเรียกว่าความทุกข์เนี่ยมันก็ยุบยอดลงไปแต่มันไม่หายไปนะมันแค่ยุบยอดลงไปไม่ปรากฏให้เราเห็นในขณะนั้นแค่นั้นเอง ทีนี้พอใจเราสงบเย็นลงเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือว่าเราก็เอาใจที่เป็นกลางสงบแบบนั้นเนี่ยเอามาพิจารณาให้มันเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่มันเป็นนะแล้วพอเราเข้าใจมันได้เนี่ยเราเข้าใจในแบบที่ที่มันเป็นเนี่ยความทุกข์มันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเราเข้าใจมันนะฟังดูมันก็เหมือนง่ายๆบางทีมันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องง่ายๆจริงๆ แต่ถ้านคนทํทำไม่เป็นบบถ้ายแต่คนทําให้เป็นก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันเจ้าค่ะก็ถ้าทําเป็นเนี่ยก็เหมือนอะไรนะเส้นผมบางภูเขาแล้วก็เอาเส้นผมออกมันก็หายไปแล้วแล้วมันก็ไม่บางภูเขาแล้วแต่ถ้าทําให้ถูกมันก็เหมือนเอาภูเขามาบางเส้นผมอะเม่อมันหายยังไงก็ไม่เจอภูเขามันรูปมัเริ่มเทิมอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้ น, น<ะ>เราก็ต้องมีวิธีการให้มันถูกต้องด้วยวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยก็คือ ต้องเดินตามมรรคมรมีองแปดนี่แหละเพราะนั้นก็คืออย่างเช่นเวลาเราสํารวจตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าเราคิดเราพูดเราทําเนี่ยตรงตามอริยมรมีองคแปดไหมก็อริยมรมีองแปดนี่ก็เริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิแล้วก็ไปจบที่สัมมาส ม, มาธิาเราจะยังไงถึงจะเรียกว่าเห็นชอบล่ะก็เห็นว่าสิ่งอันนี้นะมันเป็นทุกข์นะสิ่งอันนี้นะมันเป็นเหตุเกิดทุกข์นะ สิ่งอันนี้นะมันเป็นความดับของทุกข์นะแล้วก็สิ่งอันนี้เนี่ยเป็นข้อดําเนินที่ถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาได้เนี่ยว่าอันนี้มาเป็นทุกข์เราก็จึงาหาหเหตุของความทุกข์แล้วเราก็วางมันแต่ถ้าเราไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยแน่นอนเราก็ยังต้องยินดีเราก็ยังต้องอต้องเหมือนก็ยังไปคลุกคลีอยู่อะครุกคลีในถ้า อาจารย์เองก็เปรียบเหมือนกับว่าถ้าเราไปอยู่ในหลุมคลุหลุมคลุ้งก็คือหลุมอุจจระเงี่ยนะถ้าเรายังยินดีตัวเราก็ยังยังเหม็นอยู่อนะเห็นว่าถ้าถ้าเราขึ้นมาแล้วเราเห็นว่าเป็นโทษแล้วเนี่ยเราก็ขึ้นมาพอขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่อยากลงไปอีกแหละทีนี้แหละเราก็จะไม่มีเกลื่อกลวกความทุกข์ตอยังพอมีเวลาไหมเจ้าคะ่ะยังมีคําถามเหลืออยู่นะเจ้าคะ่ะก็พอได้อยู่นะ อีกสักคำถามหนึ่งนะคะคุณสิริรังสีฝากคําถามมาด้วยว่าขณะที่พระให้พรเนี่ยเราควรจะวางจิตอย่างไรควรจะแผ่เมตตาให้คนคนอื่นไหมหรือว่านั่งรับพรด้วยใจสงบนิ่งดีกว่ากันเพราะว่าบ่อยครั้งเนี่ยอยากจะสงบแต่ก็รู้สึกผิดแอบรู้สึกผิดว่าไม่ได้แผ่เมตตาในตอนที่เรารับพรนะเจ้าค่ะวันนี้มัน ก็มีหลายประเด <foundation. S 2> ็นนะเจค่ะ <ceux> ก็ค <Somewhere> ือเราต้องแต่จร <Um> ิงๆในสมัยเนี้ยมันก็จะพินเพี้ยนเขาเรียกว่าไม่เขาเรียกว่าไม่เหมือนกับสมัยพุทธกาลสัทีเดียวสมัยพุทธกาลเนี่ยก็จะไม่มีการให้พรแบบนี้นะเวลาที่เขานิมนต์พระเจ้าก็ดีหรือว่าพระภิกษุเนี่ยไปฉันที่ที่บ้านเนี่ยเวลาฉันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเรียกว่าสมโมทนาิยะขาถาาค่ะก็คือว่ากล่าว คาถาคือกล่าวคําเนี่ยให้เป็นที่รื่นเริงเก่ดจิตใจของผู้ที่เขาให้ทานจริงๆแล้วมันก็คือการให้พรนะแต่ทีนี้ให้พรของตอนนี้สมัยปัจจุบันเนี่ยเป็นการที่เรากล่าวคําแบบดีๆหมายความว่าเธอจงมีความสุขนะขอให้ไม่มีโรคไม่มีภยัยอะไรองนี้ก็คือเป็นการให้พรซึ่งแน่นอนใครได้ยินอย่างนี้เนี่ยเขาก็ไม่เศร้าหมองจิตก็ไม่เศร้าหมองอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าถ้าเป็นในครั้นพิการจริงๆเนี่ย ท่านก็จ ะ, ะกล่าวธรรมะให้ฟังกล่าวทําให้ฟั ง, าาฟงอาจจ ะ, ะไม่ไม่อาจจะเป็นในหลายๆแบบนะอย่างเช่นอย่างเช่นเรื่องของไนโคนโค่าเนี่ยบทไนโคค่าเนี่ยก็อ่าก็จะมีคนเลี้ยงโคนะทีนี้เขาไม่กินผักนะเขากินแต่เนื้ออย่างเดียวทีนี้เขาขายเนื้อฆ่าวัวอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะเก็บเนื้อไว้ส่วนหนึ่งเอาไว้มาทําอาหารกิน ทีนพอมีอยู่วันนึงเนี่ยเพื่อนเข้ามานะเขาก็จะมาซื้อเนื้อแหละพอดีพอดีมตอนปิดร้านไปแล้วแล้วก็ไม่มีเนื้อเลยเขาแล้วก็ไปถามพอดีว่าไอตัวเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็ไปอาบน้าก็มีภรรยาอยู่เขาก็มาซื้อกับภรรยานี่แหละเพื่อนเขาแล้วก็ปรากฏว่าตัวภรรยาก็บอกว่าเขาไม่มีแล้วล่ะพอมีก็มีชิ้นเดียวเนี่ยที่เก็บไว้ให้เพื่อนของเธอเนั่นแหละทีนี้คนที่มาซื้อก็เลยคิดว่า แหมเพื่อนเราเนี่ยก็ไม่ยอมกินผักนะกินแต่เนื้ออย่างเดียวถ้าเกิดยังไงซะเขาก็คงไม่ให้เราอะ่ะทีนี้ก็เลยวิสาสะถือเอาเนื้อชิ้นนั้นกลับไปเลยง่ายๆถือตีชิ่งนะตีชิ่งเลยทีนี้ก็ไปแล้วก็ไม่รู้จะทำไงนะตัวฝ่ายสามีกลับมาก็เลยแบบว่าอ่ะแล้วเนื้อที่เราไปไหนล่ะต้องไม่มีแต่ผักอะไรเงี้ยเราไม่กินหรอกนะถ้าไม่มีเนื้อเราก็ไม่กินทีนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเพื่อนเขาเนี่ยมาแล้วก็เอาไปแล้ว ก็เลยงอนไม่กินพอไม่กินเสร็จปุ๊บก็หิวนะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เดินเข้าไปในในในเลาเอ่ะในที่เลี้ยงโคนะก็ไปจับเอามือเนี่ยจับเข้าไปที่ลิ้นลิ้นของโคดึงออกมาแล้วก็เอามีดตัดชึบแล้วก็โคก็ร้องดิน้นทุรนทุนลายนะแล้วตัว เ, เองก็เอาลิ้นเนี่ยไปปิ้งไฟเพื่อจียามากินเนี่ยทีนี้พอ สุกแล้วเนี่ยตัวเองเอามากินแล้วก็พอกัดเข้าไปปึ๊บลิ้นตัวเองเนี่ยก็ขาดเหมือนที่ตัวเองเนี่ยเอามีดไปตัดลิ้นโคเลยเดี๋ยวนั้นเลยแหละเจ้าค้ามันเป็นอะไรเรียกว่ากรรมทันตาเลยอย่างนั้นเลยทีนี้เสร็จแล้วก็เลยแบบว่าตัวเองก็ร้องทุรนทุลายอย่างเงี้ยส่วนตัวภรรยาเนี่ยเห็นแล้วก็โอ้โหกรรมเนี่ยมันน่ากลัวปานนี้นะก็เลยบอกลูกว่านี่เธอหนีไปเถอะ เนี่ยถ้าเกิดเธอยังอยู่อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวมันจะเขาเรียกว่ายังไงยังไงเดี๋ยวมันไม่พ้นนรกนะนะก็เลยให้ลูกหนีไปลูกก็หนีไปเมืองเมืองหนึ่งแล้วก็ไปอยู่กับนายช่างทองพอนั่นก็ไปเรียนศิลปะการทําทองแล้วก็จนเก่งแล้วละ่ะเจ อ, อ, อาจารย์ก็เห็นว่าโอ้เป็นคนดีมีความสามารถนะก็เลยยกลูกสาวให้แต่งงานกันแล้วก็มีลูกพอตัวเองก็ ย้ายไปอีกเมืองหนึ่งพาลูกพาเมียไปไปอยู่อีกเมืองหนึ่งพอลูกโตแล้วเนี่ยลูกก็คิดว่าแต่ลูกนี่เป็นคนดีนะไปเข้าวัดฟังธรรมกับพระเจ้าเนี่ยเสร็จแล้วก็เลยแบบว่าเออพ่อเราเนี่ยนะไม่เคยทําบุญเลยไม่เคยทําบุญเลยแล้วทีนี้ก็เลยนิมนต์พระเจ้ากับภิกษุเนี่ยมาฉันที่ที่บ้านพอเสร็จปุ๊บ ถวายอะไรเรียบร้อยพู้เจ้าฉันเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยเข้าไปบอกพู้เจ้าว่าเนี่ยทานที่ให้ในวันนี้เนี่ยพวกหมองฉันเนี่ยทําเพื่อเป็นเขาเรียกว่าชีวะกะพัดก็คือพัดสําหรับเพื่อที่พัดสําหรับบุคคลที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นทําให้กับพ่อพอ่ะพระองค์ช่วยเทศให้พ่อฟังหน่อยอ่าผู้เจ้าก็เลยไปเรียกมาอา่มามันอยู่ไหนอยู่ไหนแล้วก็ ก็ตัดพระคาถายฝัฟังก็บอกอ้าเธอเนี่ยแก่แล้วนะเหมือนอถ้าเป็นเหมือนใบไม้เนี่ยก็เป็นเหมือนใบไม้เหลืองแล้วนะเตรียมตัวจะหลุดจากขั้วแล้วละ่ะเสเบียงที่จะเอาไว้เดินทางไกลเนี่ยไปสู่โลกอื่นเธอยังไม่มีเลยเนี่ยเธอจงทําทให้เธอเนี่ยเป็นที่พึ่งซาแล้วก็จะได้ไปสู่แดนเขาเรียกว่าอรรยภูมิได้นะอันนี้ก็ เป็นเรื่องเล็กๆลนิ้อ ย, อยหเห็นว่าสมัยก่อนมันก็ไม่ได้มีให้พรแบบสมัยนี้หรอกก็คือกล่าวธรรมะให้ฟังให้เรื่องเริมบันเทิงใจซึ่งคนที่ได้ฟังไปแล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์มากกว่าการที่เร า, เาได้รับคําดีๆอย่างเช่นขอให้หายป่วยนะอขอให้ร่ํารวยนะซึ่งใครฟังก็ยินดีอยู่แล้วแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้ทําไปเพื่อให้เขาเนี่ยไปถึงความหลุดพ้นทุกของทุกได้แต่สิ่งที่เรา ให้ธรรมะเก่เขาให้สิ่งที่ให้เขาได้คิดได้ใกล้ครวนตามความเป็นจริงและเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยสิ่งนั้นมีค่ามากเพราะว่าเขาฟังไปแล้วเนี่ยจิตเขาเข้าใจเนี่ยเขาก็จะปล่อยวางได้ปล่อยวางได้เนี่ยก็ทำให้สามารถที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่า ง, งอย่างพ่อ อ, อย่างตัวนายช่างทองเนี่ยเวลาเขาฟังกระฐานนั้นจบเนี่ย ก็ได้เป็นพระรยาบุคคลโซดาบันเลยอซึ่งพระโสดาบันเนี่ดีมากเลยนะหมายความว่าก็ไม่ต้องไปตกอบายอีกไม่ต้องไปในอบายเลยอบายมีสี่อย่างมีสัตวาา์เดรัจฉานเปรสสู ร, รกายสัตวน์นรกซึ่งเนี่ยไม่ต้องไปอบายเหล่านี้เลยนะแล้วก็มีการเียนว่ายแต่เกิดอีกแค่เจ็ดชาเท่านั้นแหละอย่างมากเพราะฉะนั้น ความที่เราจะต้องมาวนเวียนเจอทุกอย่างอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยก็มีจำกัดแล้วก็เขาเรียกว่ามีจุดหมายปลายทางให้เราเดินถึงแล้วล่ะเจ้าค่ะงั้นสรุปว่าที่คุณศิริรังสีถามเนี่ยว่าในขณะที่พระให้พรซึ่งพระอาจารย์ก็บอกแล้วว่าในสมัยพุทธกาลไม่มีแต่ณนะปัจจุบันที่มีเนี่ยควรวางจิตอย่างไรคือควรจะแผ่เมตตาไหมหรือว่า ควรจะรับพรด้วยความสงบหรือว่าด้วยกัน ด, ด้วยจิต ท, ที่เราเป็นสมาธิเจ้าค่ะทีนี้เวลาที่เขาให้พรเนี่ยนะก็อย่างที่ในช่างทองเนี่ยโวイ เ, เขาฟังด้วยความตั้งใจนะจิตเขาเป็นสมาธินะถ้าไม่เป็นสมาธิเนี่ยก็บรรลุธรรมไม่ได้เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดมันก็อยู่ตรงนี้ว่างี้เราก็ต้องทําจิตให้เราเป็นสมาธินี่แหละทําจิตให้เราให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่ให้มี อ, อกติสเกิดขึ้นอ่า พอจิตเราเป็นสมาธิเนี่ยนิวรณ์มันก็หายไปยบย่อลงไปแล้วเราก็ใครครวญตามความเป็นจริงเนี่ยพอเราเข้าใจปุ๊บเราก็ปล่อยวางได้เพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดก็คือทําใจใเป็นสมาธิซะส่วนถ้าเราทําใจให้เป็นสมาธิแล้วเราจะ อ, อมันมันไม่ได้มีข้อกําหนดนะว่าเราจะต้อง อ, อแผ่เมตตาให้คนอื่นหรือไม่แผ่เมตตาคือไม่แผ่ก็ไม่ผิดแผ่ ก็ไม่ผิดเจ้าค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นออปชันที่แต่ละคนก็เลือกทำกันได้แล้วแต่ใครจะถนัดนะคะแต่นิยมก็แอบดีใจนิดนึงเพราะว่าตัวเองเนี่ยทุกครั้งที่รับพรพระก็จะทำจิตให้เป็นสมาธิอย่างเดียวเท่านั้นโดยปกติตที่ได้ทำเจ้าค่ะทำไมเขาถึงนิยมว่านิยมที่ว่ารับพรแล้วก็ให้อุทิศส่วนบูธ ส, ส่วนด้วยเพราะว่าการลืมการลืมเดี๋ยวพอ หมจากตรงนี้ไปยุ่งกับหน้าที่การงานก็ลืมที่จะอุทิศบุญให้คนอื่นก็ทำซะเลยดีกว่าจะได้ไม่ลืมใช่แต่ทีนี้ถ้าเราลืมราลึกนึกขึ้นได้ตอนไหนแล้วก็ทําตอนนั้นแหละ้าค่ะใช่มันไม่ได้จํากัดการไม่ได้จํากัดเวลาเพราะว่าบุญอยู่กับเราอยู่แล้วใช่เราสามารถแผ่ตอนไหนก็ได้ที่นึกได้ใช่ใช่ค่ะมันก็ง่ายเข้าไปอีกนะมันมันเป็นเรื่องง่ายๆนะเจ้าค่ะเรื่องง่ายๆมันไม่ไม่ใช่เรื่องยากเลย ธรรมะไม่ใช่เรื่องยากนะคะกับรายการธรรมะสบายๆเขาเข้าไปได้ที่หน้าเพจ easy, easy ธรรมะตัวอี ต, วตัวใหญ่นะคะตัวอีตัวใหญ่แล้วก็คำว่า easy ธรรมะเนี่ยติดกัน<ช> e a s, s y d h a, m m a s y d h a m m a หาเจอแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปที่คำว่า easy แล้วเว้นวรก ก, ก็คือคำว่า easy ธรรมะเนี่ยมีหลายๆเว็บเพจที่เขาเปิดอยู่แต่ว่า อันนี้รายการธรรมะสบายๆนี่อยู่ในอีซี่ธรรมะที่เป็นคำติดกันนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ อ, อาจจะยังไม่เคยฟังหรือว่าได้มีโอกาสเข้ามาฟังแล้วก็เข้าไปฟังในหลายๆเรื่องราวที่พระอาจารย์ฝากไว้นะคะตัวโยมเองก็ชอบมากเรื่องอเรื่องนรกหรือว่าอะไรคือปกติเราก็ไม่ค่อยทำบาปอยู่แล้วนะแต่ว่ายิ่งฟังก็ยิ่งรู้สึกกลัวมากนารกนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆ ซึ่งทุกๆโพสเนี่ยก็จะได้ตรงความเห็นของทุกโพสเนี่ยก็จะได้เอาลิงก์ของ a r c ไ i ฟ์เนี่ยที่สามารถที่จะกดลิงก์เนี่ยจะไปเจอหน้าของอักไ i v e ที่จะเป็นหน้ารวมเลยหน้ารวมเลยว่า<ะ>มีทั้งหมดเท่าไหร่ก็จะสามารถดาวน์โหลดหรือว่าฟังกันจากหน้าเว็บของอ r กไรฟ์โดยตรงได้เลยเพราะนั้นก็จะทําไว้ให้ทุกโพสต์แล้วที่ความเห็นเพราะฉะนั้น ใครเข้าไปโพสต์ไหนอเลื่อนลงไปดูที่ความเห็นข้างล่างด้วยก็จะเจอลิงก์ที่ฝากไว้ว่าไปสามารถที่จะดาวน์โหลดย้อนหลังได้เข้าไปที่หน้านี้ได้เลยไม่ต้องไปสครอลล์ดาวหาอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นก็เข้าไปที่ความเห็นตรงนี้ปุ๊บฟังั้นหลังไในทันทีค่ะซึ่งวันนี้ก็คงจะไม่ทันแล้วล่ะเกี่ยวกับเรื่องของถูบ้านนะต้องต้องเลื่อนไปอีกสัปดาห์หนึ่งแล้วนะเจ้าค่ะแล้วก็ไปโพสต์ไว้ในหน้าเพจเนี่ยเรื่องคิวบิกด้วย เล่นคิวบิกนะการปฏิบัติธรรมก็เหมือนการเล่นคิวบิกเนี่ยก็เลยคงต้องยกยอดเอาไว้เป็นสัปดาห์หน้ า, าค่ะก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังที่รอลุ้นอยากจะฟังใช่ <c oughs> ว่าเมื่อกันมันถูกบ้านยังไงนะยงก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวรอรอรับรู้ไปพร้อมๆกับผู้ฟังในสัปดาห์หน้าก็แล้วกันนะคะวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสบายๆนะคะในสัปดาห์นี้ต้องกราบ นำ้ำมัสการพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะคะที่มาให้ความรู้หลายๆเรื่องและก็ขอบคุณสําหรับคําถามที่ท่านผู้ฟังนะคะได้โพสต์คําถามเข้ามาทําให้เราเองเนี่ย ต, ตัวตัวหมายถึงตัวดิฉันเองเนี่ยก็ได้ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับท่านผู้ฟังด้วยก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ติดตามรายการธรรมะสบายๆได้ใหม่ในครั้งหน้าดิฉันอรายาสุวิเศษศักดิ์ก็ลาไปก่อนนะคะแล้วก็กราบนมัสมั่นพระอาจารย์สุชาติด้วยเจ้าค่ะเจนพร